อย่าไปจ้องเมื่อเราเคลื่อนไหวกายก็ดีหรือมารู้รุ่ลมหายใจก็ดีเนี่ยแต่ถ้ว่าเอาส่วนเนี่ยส่วนที่เคลื่อนไหวนี่แหละมาเป็นฐานที่แา้ของสติแล้วการระลึกรู้ลงไปที่กายเคลื่อนไหวอย่ารู้แบบจี้นะให้รู้แบบแย ก, แยกรู้ห่างรู้เบาๆวางใจเป็นกลาง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 พ ร, ระพุทธเจ้าไม่ได้แตสรู้เรื่องนี้แล้วมั้งครูบาอาจารย์เราไม่เคยสอนแบบนี้อาจารย์องค์นุ้นว่าอย่างไรองค์นี้ว่าอย่างไงใจเราคิดแหละคิดแบ่งแยกรเริ่มต้นก็ผิดซะแล้วเรามาเจริญสติไม่ใช่เจริญความคิดลองเปิดใจให้กว่ามีคำคำหนึ่งคํามักจะบอกก็ว่าอันนี้ไม่ใช่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 ธรหน้ที่ละทันทีละแล้วจิตมันก็หมดทุกเพราะฉะนั้นทุกที่เกิดขึ้ที่กายที่ใจก็ตามใครเป็นผู้เห็นก็คือสติสมัมปชัญญะนั่นเองเราอยากปฏิเสธในความทุกข์นั้นดีแล้วเข้ามาให้เราเห็นมาให้เรารู้เห็นทุกข์คือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นทุกข์